มงคลชีวิตมงคลที่หนึ่งไม่ครบคนผานอะเสวนาจะพาลานางเอตามมังคลมุตตามังคนผานหมายถึง คนที่มีชีวิตสักว่ามีเพียงลมหายใจเข้าและออกเท่านั้นเพราะไม่ได้มีชีวิตเพื่อประกอบคุณประโยชน์ใดๆแก่ใครๆการครบหมายถึงการนั่งใกล้พูดคุยสนทนาร่วมทากิจและประพฤติตามคนผ่านอาการที่ทำให้เรียกว่าผ่าน 1. ขณะที่จิตเป็นบาคือเกิดความโลภความโกรธและความตระหนี่เป็นต้น 2. ขณะที่ประกอบอากุศลกรรมมบทสิบมีค่าสัตว์และลักทรัพย์เป็นต้น 3. ขณะที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเช่นการดื่มเหล้าทะเละวิวาทเป็นต้น คนพานนี้เรียกได้หลายชื่อเช่นปาประมิตรหรือมิตรชั่วบ้างอสัต์ตะบุรุษหรือคนชั่วบ้างลักษณะของคนพาน 1. คิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว 2. ชักชวนในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ 3. ไม่เอื้อเฟื้อสิ่งดีงาม 4. ไม่ยกโทษเมื่อมีผู้ขอโทษ 5. ไม่ขอโทษเมื่อทำผิด 6. แนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำ 7. ไม่ทำกิจที่ตนรับผิดชอบ 8. ไม่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต 9. เมื่อถูกว่า ก, กล่าวโดยชอบก็โกรธ10 ไม่ยอมรับคำสอนและคำตักเตือน 11. มากด้วยความเห็นผิดความเชื่อผิดการไม่คบคนผ่านจัดเป็นมงคลเพราะ 1. โพกษัซั์เจริญมั่นคง 2. เป็นผู้ไม่เสื่อมจากความดี 3. ไม่ต้องประสบความทุกข์อันเกิดจากคนภาล 4. ประสบแต่ความสุขกายสุขใจจากการไม่ได้ทำชั่ว 5. เป็นผู้มีสุขคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าหลังจากที่ตายไปแล้ว